จเจริญพรญาติโยมทุกๆท่านที่มาในงานของหลวงพ่อเือเกี่ยวกับงานวันเกิดในวันพรุ่งนี้วันที่สิบสามพฤศจิกายนพศส5งพสเกิดทางร่างกายของพ่อก็เกิด เมื่อพอดศสองพันสี 79, ่รอยเจสเกเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ครบเจ็ดสิบห้าปีพอดีตรงพ่อก็เลยขอขอบคุณขอบใจท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมา จากกรุงเทพบ้างจากนครศรีธรรมราชบ้างจากสุราษฎร์ธานีบ้างจากไหนตัวจากไหนและก็คนที่ไม่มาวันนี้ก็จะมาพรุ่งนี้ก็อีบหลายหลายคณะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่อง้ายเป็นกำลังใจแก่ท่านทั้งหลาย หรือว่าต้อนรับท่านทั้งหลายเอาธรรมะเท่านั้นต้อนรับท่านทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายต้องตั้งอกตั้งใจฟังเอาไปปฏิบัติเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมในโอกาสต่อไปเกี่ยวกับวันเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะทำวันเกิดทางร่างกายกันมากกว่าและก็มีการกินมีเรื่องอาบายยมุกข้าไปแทรกแซงอย่างนั้นทางนั้นให้เราไม่ได้คำหนึง่งถึงจิตใจภายในคือภาษาคนกับภาษาธรรมมันก็ต้องแยกกันภาษาคนก็คือภาษา ตลาดทั่วทั่วไปภาษาธรรมะก็คือภาษาสากลเป็นภาษาธรรมชาติแพ่นั้นวันเกิดของหลวงพ่อในวันพรุ่งนี้วันเกิดก็คือวันตายของหลวงพ่อนั่นเองวันตายก็คือวันเกิดของหลวงพ่อยอมฟังแล้วคิดว่าเพี้ยนหรือว่ายังไง วันเกิดทางเนื้อหนังเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าวันเกิดคือเกิดความรู้สึกว่าตัวกูพอมีความรู้สึกว่าตัวกูเกิดแล้วทีนี้เมื่อมันเกิดแล้วมีตัวคือตัวกูขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์ทีนี้ เห็นว่าในเรื่องของร่างกายอย่างนี้มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่ร่างกายของกูแล้วก็กูแก่แล้วก็กูเจ็บแล้วก็กูตายนี่การเกิดความรู้สึกเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้ตายทุกครั้งวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้นั่นจึงบอกว่า วันเกิดของหลวงพ่อก็คือวันตายวันตายของหลวงพ่อก็คือวันเกิดเป็นยังไงเรื่องนี้วันตายของหลวงพ่อเมื่อเราภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูกเรื่อยไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอะไรต่อไป ยงไงอความรู้สึกว่ากูเนี่ยค่อยๆตายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดเสร็จแล้วก็กิเลสตัณหาที่เป็นตัวกูตายเพราะกิเลสตัณหาที่เป็นตัวกูตายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูตายก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งคือ ความรู้สึกนั้นไม่ใช่กูไม่ใช่กูเมื่อความรู้สึกไม่ใช่กูความเกิดความรู้สึกไม่ใช่กูเป็นการตัดสวิตไม่ให้ความแก่ความเจ็บความตายเป็นของกูขึ้นมาได้ว่ามันก็จะมีแต่ความสงบที่นี่มีแต่ความสงบนี่เราดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ไปประทับนั่งใต้ต้นสีมหาโพธิพุทธกยาวันนั้นคือวันวิสาขาบูชาวันเป็นเดือนหกเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นวันตายของเจ้ากวาจายสิท ธ, ธัตถะเห็นไหมนี่นั่นคือวันตาย ของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาที่เราเป็นกษัตริย์เราเป็นเจ้าคว้าชายเราเป็นนั้นเราเป็นนี้มีมานะมีทิฐิมีอะไรหมดหมดในวันนั้นและก็ไม่ใช่ในวันเต็มวันสิบสองชั่วโมง24ชั่วโมงเพียงในเสี้ยววินาทีเดียวแค่นั้นเอง เ้าคว้าใจสิท ธ, ธัตถะตายทันทีพระพุทธเจ้าก็เกิดปรุงขึ้นมาในเวลานั้นนั่นคือวันเกิดของพระพุทธเจ้าวันเกิดของพระพุทธเจ้าทีนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่เราว่าไม่ใช่กูเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้น เสร็จแล้วความแก่ความเจ็บความตายหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องอะไรทุกอย่างมันเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมก็คือเป็นธรรมชาติหมดทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดความเกิดความรู้สึกว่าตัวกูก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมชาติที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่ใช่กู้นั่นคือเกิดด้วยสติปัญญาพอไม่ใช่กู้ความแก่ก็ไม่ใช่กู้ความเจ็บก็ไม่ใช่กู้ความตายก็ไม่ใช่กูเมื่อไม่ใช่กูวิชาหรือปัญญาเกิดนั่นคือเกิดพุทโธขึ้นมาเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในเสี่ยววินาทีนั้นอันนี้ความแก่ความเจ็บความตาย เป็นยังไงมันก็หมดสภาพเมื่อเราไม่เข้าไปยึดถือความแก่ของพระพุทธเจ้าไม่มีความเจ็บของพระพุทธเจ้าไม่มีความตายของพระพุทธเจ้าไม่มีของภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายของนักนางภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเพราะมันตายหมดแล้วกิเลสตัณหามันตายหมดแล้ว ม่ามันตายหมดแล้วเหลือแต่เปลือกเรียกว่าเหลือแต่เปลือกเหลือแต่เปลือกที่นี่เมื่อเหลือแต่เปลือกโรงก็ทำงานคือพระอรหันต์ทั้งหลายองค์ไหนที่ท่านมีความแตกฉานในธรรมมีเมตตามากมายท่านก็ต้องไปสอนสอนสอนสอนสอ น, สอ น, สอนทำงานให้ผู้อื่นเพราะว่าของตัวเองนี่มันอยู่ตัวแล้ว ของตัวเองอยู่ตัวแล้วช่วยเหลือผู้อื่นทีนี้นั่นคือเกิดแต่ความรู้สึกที่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่คือมันไม่ใช่กูความรู้สึกที่ไม่ใช่กูก็คือว่างไม่ใช่ว่างไม่มีว่างจากตัวกูความรู้สึกคือจิตว่างจากตัวกูเมื่อจิตว่างจากตัวกูความแก่ความเจ็บความตาย มันจะมาจากไหนดิมันก็ไม่มีสำหรับบุคคลผู้นั้นผู้ที่ตายแล้วคือกิเลสตัณหามันตายกิเลสตัณหามันตายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสงบนิพพานังประมังจุก ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือสงบ สุขตัวนี้คือสงบสงบไม่ใช่สุขทางเนื้อทางหนังไม่ใช่สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยากจะให้การบรรยายธรรมะในกันนี้เอาไว้เปิดตอนที่ร่างกายของหลวงพ่อหมดลมหายใจมีคนมาทำบุญในงานศพ ที่เป็นเปลือกของหลวงพ่อนี่มันสิ้นชีวิตไปก็ให้เปิดเปิดแผ่นซีดีแผ่นนี้แหละให้กกฟังไม่ต้องไปนิมนต์พระมายอหลวงพ่อหรอกยออะไรกันแล้วมันไม่มีอะไรที่จะยอแล้วยอก็ไม่ดีใจจะกระทืบก็ไม่เสียใจมันก็ไม่เอาอะไรแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยอยากที่จะให้กันนี้แหละเป็นกันสำหรับหลวงพ่อโดยเฉพาะในวันที่ลมหายใจมันหมดทีนี้ในมนพระมาสวดวนนีมนต์พระมาสวดพระกษสวดไปก่อนที่พระจะสวดเ่า ก, ก็ฟังซีดีแผ่นนี้กันไปปรางพรางบอกว่านี่แหละ คนตายแล้วก็ยังพูดได้คนมันตายแต่ว่าธรรมะมันไม่ตายคนตายธรรมะมันไม่ตายต้องก็ยังสอนได้อยู่เห็นไหมไอนน้นี่เรื่องต่างๆที่จะไม่ให้ตายทำยังไงเรื่องเกิดความรู้สึกว่าตัวกูทำยังไงให้มันหดหายไปจังนั้นเราจะต้องปฏิบัติ ตามอริยมรรคนั่นแหละไม่มีอย่างอื่นทีนี้จะพูดเรื่องอาาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ปดหรือว่าธรรมจักธรรมจักธรรมจักนี้มีหลายแฉกธรรมจักถ้าเราจะเอาแปดแฉก็มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกับโะสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชีโวธสัมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิาแปดแฉกธรรมจักนี่จะหมุนเรื่อยไม่จะหยุดนิ่งไม่ได้หยุดนิ่งธรรมจกักคือธรรมะนี่แหละจะต้องไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปในจิตใจของญาติโยมวัมนที่หลองก็นั่งพูดอยู่นี้แหละ ธรรมะจะไหลก็ไปไหลก็ไปไหลก็ไปใครรับได้ก็รับได้ใครรับไม่ได้ก็ไหลผ่านไปนี่ธรรมะจากนี่แปลว่าไหลไม่หยุดธรรมะนี่จะไหลไม่หยุดนอกจากว่าไหลออกจากจิตแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างธรรมะทางนั้นเลยธรรมะทางนั้นในโลกในจักรวาลนี้มันไหลไปไหลไปไหลไปไหลไปมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเอง ทีนี้เราทำธรรมจกรักแปดแฉกสมาธิมีความเห็นอันถูกต้องแต่เราก็เป็นนับนับว่าเออได้แดแฉกก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้แต่แดแฉกนี้แหละนั่นแหละคือ อ, อ, อริยมรรคมีองค์8ทีนี้ถ้าก็ทำสีแฉก สแฉกนี่ไม่ค่อยทํากันสี่กฉกหมายถึงว่าอริยสัจสี่อริยรสัจทก็คือทุกขโมทัยนิโรธอริยมรรคนี่สี่แชกที่นี่ต้าก็ทำาิบสองแฉก12แฉก12แฉกก็คือปริวัติเรียกว่าปริวัติปริวัติสิ ก็คืออริยสัจนั่นแหละอริยสัจ ต, ตัวหนึ่งมีสามตัวหนึ่งมีสามตัวหนึ่งมีสมอริยสัจคือทุกขพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจคือทุกทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วนี่คือสมแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสาม ถามทีนี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมุทัยเป็นสิ่งที่เราควรละสมุทัยเราละได้แล้วสาทีนี้นี่โรจนิโรดคือตัวดับทุกข์ตัวดับทุกก็คือตัวดับปัญหาเนี่ยตัวดับปัญหานิโรดคือตัวดับเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรดเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้ง ให้รอเราทําให้แจ้งได้แล้ว3ามอีกที น, นี้อริยมรรคอริยมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็แจ้งออกไปเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมัตัวสัมมาีโวสัมม า, ามวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคไม่องแปดอริยมรรคไม่องแปดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ใช่พูดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้พูดมันจะมีรู้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะรู้เช่นว่ายังไงเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมาทิเป็นสิ่งที่เราควรทำให้เกิดมีหรืออริยมรรคไม่งูงแปด เป็นสิ่งที่เราควรทําให้เกิดนี้อริยมรรคมนองค์8เราทําให้เกิดมีได้แล้วนี่ก็สนี่ก็สามทีนี้นี่คืออริยมรรคมนองค์8แล้วก็มาเป็นอริยสัจสี่แล้วก็มาเป็นปริวัตรสเป็นปริวัตรสามปริวัตรสามคือเป็น3ามสสเหมือนที่บอกให้ฝังนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วสามสามสส ก็เป็น12 12ก็เรียกว่าอาการ12มีอาการ12คืออริยสัจนั่นแหละมีอาการส2องอย่างนี้ทีนี้เราจะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ถ้าใครอยากที่จะดับทุกขต้องปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไปตามนะพระที่ท่านสอน ท่านสอนโดยส่วนมากไม่ใช่จะตีท่านท่านจะสอนไม่ครบวงจรไม่สอนตั้งแต่อริยมรรคอริยมรรคเรียกอริยสัจไม่สอนให้มันตลอดไปเรียกว่าให้มันเป็นไปตามสายอริยมรรคอริยสัจให้เรียกไปปฏิจจสมมากประบาสนู่นต้องไปถึงโน้นปฏิจจัตตาโมระบาทก็มีแค่สองสายเอง สายเกิดสายเกิดก็หมายถึงว่าสายเกิดทุกสายเกิดทุกสายดับก็หมายถึงว่าสายดับทุกเป็นสายดับทุกอันนี้อริยมรรคอริยมรรคสาคัญมากธรมมาทิฏฐิในสําคัญสําคัญที่สุดนอกนั้นก็เป็นลูกน้องเป็นหางเครื่องเรียกว่าเป็นหางเครื่องธรรมมาทิฏฐิ มีความเห็นอันถูกต้องถ้ามันมิจฉาทิฏฐิอะไรถ้ามิจฉาทิฏฐิก็มีความเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดก็คือจิตนะจิตจิตคือความรู้สึกความรู้สึกตัวนั้นถูกต้องคือถ้าเห็นถูกต้องก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าจิตตัวนั้นมีความเห็นผิด เพราะมีราคะโทสะโมหะข้าไปครอบงําเมื่อมีราคะโทสะโมหะข้าไปครอบงําจิตตัวนั้นมืดเห็นไหมจิตตัวนั้นมันมืดทีนี้เมื่อจิตตัวนั้นมันมืดเราก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิและก็ไม่เห็นอริยสัจเพราะมันมืดนี่ยมันจะเห็นยังไงไม่เห็นอริยสัจอริยสัจคือทุก อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับทุกข์อริยสัจคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์นี่มันอย่างนี้ทางนั้นอริยสัจท้งนั้นจะครอบงําหมดทั้งโลกทั้งจักรวาลเพราะมันมาจากตัวไหนมันมาจากทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอย่างในปัจจุบันนี้แหละเขาก็ดูโทรทัศน์กันมีแต่น้นาํนาท่วมน้ําท่วมน้าท่วม คนที่บ้านน้าท่วมมันั่งภาวนาอะไรอยู่นั่งภาวนาว่าบ้านกูบ้านกูบ้านกูตรวรัดักูตู้เย็นกูเงินกูทองกูไม่แต่กูทางนั้นเลยนี่คือมิจฉาทิฏฐิเห็นนี่ไอ้กูน่ดูที่ว่าไอ้กูน่ยถ้าเราภาวนาว่าไม่ใช่กูเออไม่ใช่กูไอ้ที่น้าท่วมบ้านกูน่ะ บ้านไกลนะเนแล้วกูมันมาเมื่อไหร่กูมันมีอายุเท่าไหร่ตอนนี้อนแต่ก่อนนั้นแล้วกูอยู่ที่ไหนแล้วกตอนที่กูคลอดออกมานแล้วแม่ของอูคลอดบ้านออกด้วยไหมคลอดตู้เย็นออกไหมคลอดร้อยกอทองคําออกไหมคลอดเพชรนินจินดาคลอดเงินคลอดทองออกมาบ้างไหม ไม่มีมาตัวล้นจ้อนมาเลยไม่มีอะไรเลยอ่านุ่งป้าห่มก็ไม่มีไม่มีอะไรทางนั้นแต่พอครอดออกมาเริ่มจะมีของกูขึ้นมาทีของกูของกูของ ก, ของกูของกูหมดอะไรอะไรก็ของกูหมดอยู่ร้อยปีก็ยึดถือไปร้อยปีมีความทุกข์ร้อยปีอยู่ทำไม อยู่มีความทุกข์เลยู่ให้มันทรมานทําไวในบาลนะีท่านบอกว่าไอ้คนที่รู้ธรรมะไม่ยึดมั่นถือมัน่นเสร็จแล้วอยู่วันเดียวยังมีประโยชน์กว่าคนที่อยู่หรือคนที่มีอายุตัง100้งร้อยปีมันทรมานแค่ไหนอยู่ตั้งร้อยปีนะมันทรมาน ความเจ็บของกูความแก่ของกูความตายของกูความปวดของกูโรคภัยไข้เจ็บของกูหมดความจนของกูความรวยของกูหมดมีแต่กูกับของกูกูของกูกูของกูหมดแต่ว่าคนที่รู้ธรรมะเขาปฏิบัติธรรมะถึงขั้นไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กู ว่าจะโลภขึ้นมาไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูว่าจะโกรธขึ้นมาไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูว่าจะโง่ขึ้นมาไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูตัดสวิตที่ตรงนั้นอ้ามเกิดอ้ามมาแจ้งเกิดอ้ามมาแจ้งเกิดว่าตัวกูอ้ามาแจ้งมาแจ้งได้แจ้งว่าไม่ใช่กูแจ้งว่าไม่ใช่กู ได้ตามาแจ้งว่ากูพูดเท็ทั้งนั้นเลยเท็จทั้งนั้นตามาแจ้งว่ากูแยกออกกีเนื้อหนังเนี่ยเป็นอะไรนะมาจากธรรมชาติทั้งนั้นความรู้สึกคือจิตก็เป็นธรรมชาติเนื้อหนังมาจากสเปริร์มเล็กๆนิดเดียวเล็กจนมองไม่เห็นนั่นก็ไม่ใช่กูนั่นมันเป็นเชื่อ เชื่ออย่างนี้มันเชื่อนั้นไม่ใช่มีสำหรับคนมีทั่วไปของวัวของควายของหมูของเป็ดของไก่ของสัตว์มีชีวิตทั้งหลายมันมีสเปิร์มอย่างนั้นทางนั้นแด่เสร็จแล้วมันก็พัฒนาพัฒนาพัฒนาพอพัฒนาจนกระทั่งว่าอยู่ในท้องไม่ได้แล้วต้องออกมาข้างนอกอยู่ในท้องของกินก็ไม่พอ อาการหายใจไม่มีหายใจทางสายสะดือทีนี้มันไม่พอแล้วมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นมันต้องคลอดออกมาขายนอกนี่มันมาจากอะไรมันมาจากธรรมชาติไอเนื้อหนังตั้งหลายเนะี่ยมาจากธรรมชาติทางนั้นแหละมันพัฒนาพอคลอดออกมาอาใจธรรมชาติแล้วตอนแรกเป็นยังไง ตอกรอดออกมาเนี่มันก็มีไอ้พวกน้ําครามมีอะไรอยู่ที่ปากที่จะโมกองมันหายใจไม่ออกอ้าวไอ้คนไหนที่หายใจไม่ออกไม่ร้องคนนั้นไม่ร้องไม่รอ้องอุ้วีอุ้วีอุ้วีอ้าวหมอทํำยังไงจับเท้าสองขาอ้อยหัวลงไปให้มันร้องพอร้องแล้กวก็สัมรักไอ้พวกจกกระปลอกทั้งหลาย ให้มันออกไปแล้วก็ทำความสะอาดกันอะไรกันแล้วมันก็จะได้ลมมันจะเข้าไปได้พอลมเข้าไปได้เห็นไหมนั่นอาศัยธรรมชาติอีกแล้วการหายใจอาศัยธรรมชาติการดื่มการกินก็าอาศัยวัตถุ ด, ดิบจากธรรมชาติการนุ่งการห่มก็าอาศัยธรรมชาติที่อยู่ที่อาศัยอาศัยธรรมชาติ เก็บไข้ได้ป่วยอาศัยธรรมชาติเพราะคนมันเป็นธรรมชาติเมื่อทําเป็นธรรมชาติมันก็คลอดออกมาเป็นคนเราสมมติว่าธรรมชาตินั้นเป็นคนแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสักแต่ว่า้าตตามธรรมชาติเอ็นว่าสักแต่ว่า่าตามธรรมชาติย่อๆมันจะมีสามธาตุหนึ่งรูปธาตุธาตุที่จับต้องได้ เปลืองเนื้อที่สองอารูปธาตุธาตุที่จับต้องไม่ได้ไม่เปลืองเนื้อที่อันนี้ถ้าเราไปดูที่ขันห้ารูปเวทนาทัญยัสังขารวิญญาณขันห้าทีนี้สิ่งที่เป็นรูปก็คือสิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่เฉพาะแต่เนื้อหนังของเราทุกอย่างสิ่งที่จับต้องได้ก็เรียกว่ารูปทางนั้นรูปทางนั้น เวทนาะความสุขก็เป็นเวทนาะความทุกคือความสุขเนี่ยความสุขนี่ก็คือทุกนั่นแหละความทุกก็คือทุกไม่ใจสุขไม่ใจทุกก็คือทุกขแต่เป็นยังไงไม่รู้จักหลงในความสุขหลงในความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงหลงความสุขอันนั้น คำข้าวคำที่หนึ่งอร่อยนั่นน่คือสุขเวทนาทุกเวทนาแต่ว่าเฮยไม่ได้เรื่องเลยร้านนี้ทำอะไรก็ไม่รู้ทุกเวทนานี่ให้เข้าใจเอาว่ามีสุขเวทนาทุกเวทนาอาทุกข์ามาสุขเ ว, เวทนาแต่สามอย่างนั้นก็คือเวทนาทางนั้นเวทนาทางนั้นเวทนาเป็นอะไรเหมือนกัน เวทนานั้นเป็นอนิจจังข้าไปยึดมั่นถือมันไม่ได้เพราะเวทนานั้นมันไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเลื่อยนั่นเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้อนาตตามันไม่ใช่ตัวตนมันดับแล้วพราะรู้สึกว่าอร่อยดับอีกแล้วใจคำใหม่ก็ไปอีกเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นเวทนาน เวทนาที่เป็นสุขที่เราหลงหลงหลงหลงหน่ากลัวนั่นคือธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วสติปัญญาของเราไม่พอเอาแหวนเพชรมาใส่ที่นิ้วก้อยที่นิ้วนางอ๋อก็ดูที่นิ้วนะมันมีอะไระมีหนังจากหนังมีเนื้อจากเนื้อเป็นเส้นเอ็น เอาออกหมดเหลือแต่กระดูกเอาเสร็จแล้วก็ไปใส่แหวนในกระดูกช่วยที่ตรงไหนไปใส่แหวนในกระดูกนิ้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าเรามันโง่โง่งก็เลยประดับให้นิ้วหน่อยประดับให้นิ้วหน่อยนี่เอาสร้ยอยคอทองคําเอาสร้ยอยคอยกสร้ยอยคออะไรต่ออะไรที่มีค่ามหาศาล เ, อ, เอาไปแขวนคอ เอาเนื้อคอออกไป ห, หมดเหลือแต่กระดูกคออ๋อก็ไปแขวนให้ศพมาที่อย่างนั้นไปแขวนให้กระดูกมันช่วยที่ตรงไหนนี่ดูอย่างนั้นพอเราเห็นคนที่เขาจ่ายแขวนคนที่ประดับประดาบที่สวยงามดูให้มันลึกๆนี่ต้องดูให้มันลึกๆถ้าดูลึกๆจบจบไม่มีอะไรจบนี่ เวทนาทางนั้นเวทนาทางนั้นแต่แล้วสติปัญญามันไม่พอก็เลยไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักเวทนาในปัจจุบันไม่รู้จักเวทนาในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้จักเวทนาในอนาคตแต่ถ้าเรารู้จักเวทนาในปัจจุบันอดีตเราก็สามารถที่จะคลี่คลายได้อนาคตผ่านก้าวมารู้ทันที ไอ้รู้เฉพาะในปัจจุบันนี้พอแล้วอดีตมันผ่านอนาคตยังไม่ถึงแต่ว่าดูปัจจุบันดูปัจจุบันดูไปดูไปดูไปนี่ลองคิดดูดินี่มันเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธาตุรูปเป็นรูปธาตุเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรายละเอียดไปดูไปคิดไปนึกไปพิจารณาเอง นั่นเป็นอารูปราธาตุเรียก ว, ว่าเป็นอารูปราธาตุนี่เราพูดกันเรื่องาธาตุหนึ่งรูปราธาตุธาตุที่จับต้องได้สองอารูปราธาตุธาตุที่จับต้องไม่ได้สนิโร ธ, ธ า, าธาตุนิโรดนิโรดนิโร ธ, โร ธ, โร ธ, ธ า, าธาตุก็คือนิโรดธาตุนีโรดนิโรตก็คือดับหนึ่งทุกสองสมุทัยเหตุได้เกิดทุกข 3. นิโรธความดับทุกข์4อริยมรรคการปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์นิโรธรูปธาตุก็ดีอรูปธาตุก็ดีถูกดับด้วยนิโรธาตเมื่อ น, นิโรธาตเข้าไปดับมันก็ว่างหมดว่างหมดว่างเพราะอะไรเพราะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น นั่นคือว่างจากกิเลสว่างเพราะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น<ม>นี่เห็น ไ, ไหมนี่ต้องดูกันอย่างนี้ดูกันอย่างนี้นี่คือเรื่องของธาตุเรื่องของธาตุทีนี้พูดเรื่องธรรมจักธรรมจักธรรมจักนั่นแปลว่าหมนุนหมนุนจักก็คือล้อนั่นแหละล้อนั่นแหละทีนี้ถ้ารถไม่หมนุนก็จะดงว่ามันไม่วิ่ง ที่นี้ธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติตามหยุดหยุดทำทำทำทำหยุดหยุดลรอไม่หม่นรอไม่ค่อยหม่นอพอหลวงพ่อมากระตุกหน่อยหนึ่งหม่นหม่นหม่นหม่นอ้าวเบาลงเบาลงเบาลงเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องทําวัดตรวจหม่นพอได้ค่อยพรุ่งนี้เช้าวันนี้ง่วงนอนมากแล้วรอหยุดหม่นอีกแล้วนี่หยุดหม่นอีกแล้วภาวนา ไม่เป็นไรก้อยว่ากันเรายังหนุ่มยังแน่นยังสาวอยู่ก่อยภาวนาเวลาแก่ๆพอแก่ขึ้นมาเป็นยังไงโรคอัลไซเมอร์มาเด้นั่นเราเวลาแก่โรคอัลไซเมอร์ก็โรคยึดมันมนนะดม่นถือมั่นนั่นนหะต่อยึดมั่นถือมั่นแล้วก็กังวลโอ้โจรโจรโจรโจรมีแต่โจรเป็นยังไงโจร เอาเงินใส่ไว้ในเตียงนอนใส่ในช่องนั้นในช่องนี้ช่องโ น, น้เอ็นใครไม่ได้เป็นโจรหมดโจรหมดเสร็จแล้วก็เป็นโรคยึดมั่นถือมัน่นมาเป็นโรคยึดมั่นถือมัน่นก็เรียกว่าใส่ไว้แล้วในเตียงใต้เตียงที่ตรงไหนแถวตรงไหนเป็นชอ่อกเป็นรูเป็นอะไรก็ใส่้าไปใส่แล้วก็ลืมใส่แล้วก็ลืมใส่แล้วก็ลืมไม่รู้นี่ เ, เรียกว่า อัลไซเมอร์มันมาเยี่ยมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันทุกคนในเรื่องเนี้นี่เรื่องของการลืมเรื่องของการลืมมันมีบ้างนิดนิดหน่อยๆจะลืมปึ๊บจาปั๊บลืมสมมติว่าลืมลืมเพียงแป๊บเดียวออกคิดได้ทันทีจะคิดได้ทันทีนี่สกัดมันได้ทันทีเลยนี่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ก็เพราะอะไร ทีเราลืมก็เพราะว่าสมองของเราเนี่ใช้มานานใช้มานานมันก็เปลืองมันก็เปลืองทีนี้ถ้าเด็กๆลืมผิดปกติแล้วเด็กคนนั้นขนาดยังเด็กยังนมสิบห้าสิบหกสิบเขี่ลืมแต่ตาแก่มันขนาดหนเนี่ยนี่ขนาดมันอายุมันยังน้อยมันขนาดนั้นนี่คือเรื่องของการที่ไม่สนใจ ในการให้นลอมันหมุนดังนั้นเราจะต้องหมุนเรื่อยไปหมุนเรื่อยไปเราเดินพภาวนานั่งก็กำหนดลมหายใจภาวนากินอาหารภาวนา ท, ทุกทุกทีเคี้ยว ท, ทุกททีกลืนภาวนาถ้ารภาวนาได้หมดภาวนาได้หมดเอาถ้าเบือ่อเบือ่อภาวนาหยุดหยุดภาวนาหยุดภาวนาทำยังไง พิจารณาพิจารณาเพราะอาภัยมันอาจจะไม่งามไปหน่อยเช่นเรานั่งที่หัวซ่วมเรานั่งหัวซ่วมเสร็จแล้วก็นั่งตายนั่งตายเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ก็เห็นแลวอุจาระเนาะเพราะว่าผลเสร็จแล้วเราก็กดเลยแต่เมื่อก่อนมันดีไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรมันเห็นเห็นชัดๆเห็นชัดๆทีนี้กลิน่นก็ไม่สวยไม่งาม ไม่น่ารับประทานเสร็จแล้วไอ้กากอาหารที่ออกมามันก็จกกระปลกมีอะไรจกกระปลกเอ๊ะทบทวนหน่อยดิวานอะไรเนเมื่อวานนี่เรากินอะไรเข้าไปเนี่ยอ๋ออันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยเอ๊ะวันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยนี่มันเป็นอะไรเนี่ยโอ้มันไหลนี่มันไหลนี่นี่มันไหลนี่แม้แต่ในกองอุจจาระ มันก็มีธรรมะเห็นไหมให้เราผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านหมดผ่านหมดไม่สนใจนั่งใจลอยนั่งตายใจลอยอย่างนั้นน่ยไม่ไม่เลยนี่ถ้าเราภาวนาแล้วก็พิจารณาพิจารณ า, รณาแล้วก็ภาวนาภาวนาแล้วก็พิจารณาปัญญามันก็จะเกิดถ้าทําอย่างนั้นปัญญามันจะเกิดก็เพราะว่าจาก หมุนเรื่อยจากมันหมุนเรื่อยสี่ล้อน่หมุนไม่หยุดหมุนไม่หยุดหมุนเรื่อยหมุนเรื่อยหมุนเรื่อยหมุนเรื่อยไม่หยุดนิ่งหมุนไปเรื่อยทีนี้พอหลับไปมันหยุดหมุนมันหยุดหมุนตื่นขึ้นมาหมุนทันทีหมุนล้อทันทีเลยนี่มันก็เป็นธรรมในอย่างนี้มันก็เป็นธรรมนี่นี่ที่เคยพูดให้ฟังว่ามีอุบาสกคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี เป็นหน้าชายของอุบาจิกากีแกไม่สบายป่วยพอป่วยหนักอุบาชิกากีก็ไปพูดธรรมะให้ฟังให้ฟังไม่ฟังพอฟังแกก็ไปสอบอารมณ์ทุกวันทุกวันอ้าววันน้าเป็นยังไงวันนี้โอ้เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมหายใจเข้าเป็นธรรมหายใจออกเป็นธรรมมันเป็นธรรมที่ตรงไหน ไอ้คนหายใจมันก็เป็นธรรมสิ่งที่หายใจเข้าไปคืออากาศมันก็เป็นธรรมมันกลายเป็นธรรมหมดความรู้สึกก็เป็นธรรมตัวกูมันก็ไม่มีมันเป็นธรรมเป็นธรรมชาติหมดทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเมื่อเป็นธรรมชาติหมดก็ภาวนาว่าเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมนี่เลยก็อยู่กับธรรมชาติ พอจะตายก็ตายกับธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวกู้เงินเป็นธรรมชาตินี่คือมันหมนุนให้ธรรมชาติอย่างมันหมนุนหมนุนหมนุนหมนุนหมนุนมนอีนี้เราทุกคนก็ต้องช่วยกันหมนุนช่วยกันหมุนของใครก็ของตัวเองนั่นแหละทีนี้พอหมุนของตัวเองจนรอมันหมนุนหมุนไม่หยุดอ้าวพอของตัวเองถึงสถานที่ที่เราคาดหวังเอาไว้แล้วอ้าวหมุนต่อ มลยังไงอีกไปช่วยมลคนอื่นทีนี้ช่วยมลคนอื่นช่วยแข่งเขอะไรเขาปอนเขาอะไรเรีนนยกว่าช่วยมลว่าคุณมลก็ไปเถอะมลก็ไปเถอะก็คือภาวนาก็ไปเถอะภาวนาก็ไปเถอะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าทำมาจากนี่จะต้องหมนุนจะต้องมุลทีนี้หลวงพ่อมีความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งนี่ยังบอกกับญาติโยมที่สนิทนะว่าเวลาหลวงพ่อ หมดลมหายใจอยากให้ทําผ้าขึ้นมาชักสองผืนผืนที่หนึ่งก็ทําเป็นสีจีวรก็ได้แต่ออกผ้าบางๆก็ได้ปักหรือว่าเขียนเป็นรูปธรรมจักรเป็นธรรมจักรไม่ใช่เป็นธงชาติหรอกเป็นธรรมจักรไว้ตรงกลางเป็นธรรมจักรกี่แชก่ะ อาจะเอาแปดแฉก็ได้จะเอาสี่แฉก็ได้จะเอาอาการจิตสองก็ได้ได้ทั้งนั้นแปนแล้วพอหมดลราหมายใจเอาผ้าธรรมจักนั้นคลุมก็ไปทีนี้คลุมก็ไปนี่แสดงว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามุนมาหมุนมาทำาม่ทําอย่างนี้ให้คนก็เห็นว่าโอ้นี่ทําม่เป็นอย่างนี้ต้องการให้มันหมนต้องการให้ธรรมจักนี้อย่าหยุดนิ่ง ไอ้มันหมนุนทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งหีบศพที่ทำเอาไว้แล้วทาไว้หลายปีแล้วมันไม่ตายสักทีหนึ่งแต่ว่าตายวันนึงแหละไม่เป็นไรทีนี้ก็ป้าที่เอามากรุมก็ทําเป็นธรรมาจักรเหมือนกันธรรมาจาักรด้านโน้นด้านนี้สองด้านเพราะทำไว้ข้างหนึ่งก็เป็นเรียกว่าของคู่แต่อีกข้างหนึ่งก็เป็นสุญญาตาคือความว่าง ทีนี้เวลากลุ่มผ้าผ้าต้องใช้ผ้าบางๆใอ้มองเห็นให้มองเห็นอิ่มเอียงให้มองเห็นสุญญตานี่ทีนี้คนก็จะได้จะงนใจว่ า, อาไอ้อะไรนี่อะไรนี่ไอ้อะไรนีน่แหละเขาจะได้ออกไปคิดถ้าใครคิดก็จะได้ฉลาดถ้าใครไม่คิดเชิญโง่ไปตามเดิมไม่มีปัญหาอะไรตายแล้วยังก็แสดงทาได้ อย่างนี้เดี๋ยวก่อนทรมจักท ร, รมจักต้องพ่อมีความหวังอยู่อย่างนี้แต่ไม่ทราบว่าโยมก็จะทํา่า้หรือไม่ทำง่ายแต่โยมไม่ทําง่ายก็อยากจะทําเองล่ะอยากทําเองเตรียมเอาไว้เรียบร้อยมันต้องตายแน่นอนรเพราะไม่มีทางผ่านทางนั้นทางเดียวแต่ว่าถ้าไม่ต้องการให้ตายเราก็ให้กิเลสตัณมันตายเชียก่อนอ็กิเลสตัณหามันตายแต่ก่อนก็กลุ้มธรรมมาจัก เต็มร้อยเปอเซนต์เลยสะบายระบายอย่างนั้นนี่เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระอรหันต์ทั้งหลายดูที่เขาช่วยชาติเขาช่วยชาติก็ยังเอาทงชาติไปครุมเลยทีนี้เราเป็นลูกเป็นหลานของพระพุทธเจ้าทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาผ้าไปครุมเสร็จแล้วก็ปั๊ม เป็นใบพันธุ์ทางนั้นเลยนั่นเห็นมมันจะออกกันอย่างนั้นนี่เดี๋ยวปั้มเป็นใบพันธุ์ยังไงโอ้หน้าองค์นั้นเสียชีวิตมีเงินสิบล้านองค์นั้นเสียชีวิตมีเงินห้าสิบล้านหน่าขายหน้าที่สุดเลยพระพุทธเจ้าไม่มีเงินสักบาทหนึ่งพระองค์ทิ้งร่างกายจิตใจนี้ไว้บนแผ่นดินไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของ เราอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูเต็มไปหมดเนี่ถ้าปั๊มได้ก็เหมือนกับของศพจีนอะไรเห็นไหมชงบ้านไปห้ชงรถเก๋งไปห้ชองอะไรไปให้ทำเป็นรูปตุ๊กตาไปไอตัวกูของกูมันยิ่งหนักหนักนักนักเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งว่าตายแล้วก็ยังทำของปลอมให้ไปอีกแหมมันยึดมั่นถือมั่นกัน จนกระทั่งความันน่าสงสารจริงๆพวกนี้มันบอดบอดบอดบอดบอดบอดธรรมดาเลยยังไม่พอนว ก, กี้พูดธรรมะไอ้ควังเท่าไรมันก่อนมันไม่ได้ยินพูดทางขวูดซ้ายตะลุขวาพูดทางหูขวามันตะลุซ้ายนี่มันไม่ได้ยินมันได้ยินมันไม่ข้าวไม่ข้าววินเลยเห็นไหมไม่ข้าวเลยนี่คือเป็นอะไร เรียกว่าเป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นมนุษย์อย่างน้อยที่สุดมีศีลอ่ามีศีลจะมีศีลขึ้นมาต้องมีพระรัตนาตรายัยไม่อย่างนั้นศีลก็จะไม่สมบูรณ์พระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้ารู้ความว่างสงบเย็นพระธรรมธรรมชาติคือความว่างที่สงบเย็นทําไมจึงว่างทุกอย่างมันมีทางนั้นเนี่ยทำไมมันว่าง ก็ประทุกอย่างมันไม่มีตัวตนสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีตัวตนโลกเองก็ไม่มีตัวตนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ไม่มีตัวตนจักรวาลนี้ก็ไม่มีตัวตนถ้ามันมีจักรวาลอื่นจักรวาลอื่นก็ไม่มีตัวตนนี่คือว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่ากวาดทิ้งไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นมันมีอยู่แต่เสร็จแล้วมันก็ไหลไหลไหลไหลไหลไหลมันไหล ไหลไปตามกฎของธรรมชาตินั่นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตามันไหลไปตามกฎของธรรมชาติถ้าเราเห็นความไหลของธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเห็นจิตไหลเห็นร่างกายไหลถ้าเราเห็นไหลอย่างเนี้ไม่มีอะไรหยุดนิ่งไหลไหลไหลไหลไหลไหลไปถ้าเห็นไหลอย่างนั้นเขาเรียก ว, ว่าเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังถ้าเห็นอนิจจังมันก็ไม่อยากเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้ว ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในสุขก็เป็นทุกข์ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในทุกขกรรมสุขก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทางนั้นอนิจจังทุกขังอัตตาอัตตาตัวตนแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนนี่เป็นญ้าป่าข้อมันไม่มีตัวตนที่จริงเลยไม้มีอะไรจริงสักอย่างให้เห็น ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันจึงว่างเรียกว่าสุญญตาสุญญตาสุญญตาสุญญตาก็คือว่างจากตัวตนทีนี้มันต้องให้ล่อมันหมุนที่ถ้าล่อมันไม่หมุนแล้วมันจะเห็นได้อย่างไงนี่ยล่อมันไม่ค่อยหมุนแง่วัางๆๆๆๆๆๆกันไปเด็ดแนบล่อมันไม่หมุนมันนั่งหมุนอยู่ตรงนี้พอออกจากนี้มันหยุดได้อีกแล้วหยุดได้อีกแล้วเดิน เดินขึ้นก็ต้องไงล่อมันหมนุนเดินลงก็ต้องไงล่อมันหมนุนเดินไปไหนให้ล่อมันหมนุนอย่าเดินขวัญอย่านั่งขวัญอย่านอนขวัญให้ล่อมันหมนุนให้ล่อมันหมุนอย่างเนี้นี่คือธรรมจักธรรมจักธรรมจักลอ่อหมุนให้ล่อมันหมนุนถ้าล่อหมุนอย่างนั้นก็เรียกว่าวันหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางแน่ว่าะล่อมันหมนุน แต่ถ้าล่อไม่หมุนก็อยู่ที่เดียวที่เดิมจมปลักจมปลักอยู่เหมือนเดิมเพราะมันจมปลักอยู่เป็นยังไงเหมือนกับน้ําท่วมนั่นแหละท่วมแล้วน้ําไม่ไหลไม่ไหลก็จมปลักจมปลักก็เหม็นเน่าเลยทีนี้จมปลักมันเป็นปลักเหม็นเน่าเหมือนปลักวัวปลักควายอย่างนั้นมีแต่น้ําขกระปลกทั้งนั้นเลยมันจมปลักเรียกว่าจมปลักถ้าอย่างนี้ดังนั้นมันต้องหมุนอย่าให้มันจมปลัก หมุนไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปภาวนาไปพิจารณาไปภาวนาไปพิจารณาไปภาวนาไปพิจารณาไปทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นทีนี้การพิจารณาพิจารณาสิ่งที่เราภาวนาก็ได้พิจารณาสิ่งที่มันเป็นปัญหาความทุกข์นี่มันเป็นปัญหากับทุกคนไม่เว้นใครทั้งนั้นเลยนอกจากว่าพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตานั้น นอกนั้นเป็นทุกหมดเราเป็นทุกหมดนี่จมปลักเรียกว่าจมปลักฉัพเพธรรมมาแปล ว, ว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงก็คือธรรมะทั้งหมดนั่นแหละฉัพเพธรรมมาสิ่งทั้งปวงนาลังไม่ควรแปล ว, ว่าไม่ควรทีนี้ก็จะขึ้นมาตรงนั้นมันคือภาษาบาลีเป็นอย่างนี้เกณจิอันใครใคร นาลังไม่ควรไม่ควรนาลังไม่ควรสเปรมานาลังอภพินิเวสายะฝังตัวเข้าไปขวังตัวเข้าไปในไหนฝังตัวขวังจิตเข้าไปในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็คืออยากเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองอยากฝังตัวอยากขวังตัวเข้าไปก็คืออยากเข้าไปยึดมั่นถือมั่น สัพเพรำมาสิ th úa, ada, ่งท <th úa, S 1> ั <schedules> ้งปวงสิงที <away violin language> ่สิ่งที่เป็นกุศลก็เรียกว่าทำสิ่งที่เป็นอกุศลก็เรียกว่าทำสิ่งที่ครึ่งครึ่งกลางกลางก็เรียกว่าธทำทำดังนั้นปริยัติภาคทิษฎีก็เรียกว่าธรรมปฏิบัติภาคปฏิบัติก็เรียกว่าธทมภาคปฏิเวทเป็นประโสดาจกิทาอนาคาอรรานก็เรียกว่าธทรทำดังนั้นแต่ว่าทำทั้งหมด ข้าวไปยึดมั่นถือมันไม่ได้อย่าข้าไปยึดมั่นถือมันการปฏิบัติจนว่าเกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาแล้วแต่เจอแล้วตัวเองก็ไม่รู้ข่าไปยึดมั่นถือมั่โอ้กูเป็นพระโสดาบันแล้วกูเป็นพระสกิทาคามีแล้วกูเป็นพระอนาคามีแล้วกูเป็นพระอรหันแล้วยึดมั่นถือมันทางนั้นนั่นคือยึดมั่นถือมั่นเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่า กิเลสของเราเนี่ยมันเบาบางลงเพียงไหนก็เลยดูที่ความทุกข์ดีกว่าเมื่อก่อนนี่ยินเฉียวโกรธโกรธไว้โกรธไว้โกรธเร็วเป็นยังไงทีนี้พอปฏิบัติธรรมก็พอปฏิบัติธรรมถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์กาวนาไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจ ก, ใกูเมื่อก่อนปั๊บมาก็ปั๊บไปปั๊บมาก็ปั๊บไป มันเป็นอย่างนั้นทีนี้สติมันค่อยๆดีขึ้นพราสติมันเพิ่มขึ้นพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยระจักรยทิฏฐิความเห็นว่าตัวกูที่หยาบหยาบวิจิกริชฌาความลงเลยใจในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสง์แต่เสร็จแล้วเราหนักแน่นทีนี้หนักแน่นหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสง์ วิจิจิจ่าสีลปตาปรมาตุไม่เอาแล้วไอ้เรื่องยุ่งยุ่งอะไรต่างๆไอ้ยิงไม่เข้าควันไม่ออกเลิกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนั้นไม่เอาพระโสดาบันละพอพระโสดาบันละตามนั้นนี่ข้าวไปยึดมั่นถึงมันไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าละอย่างนั้นเขาเรียกว่าก็อย่าไปเป็นข้าวเขาเรียกว่าพระโสดาบัน อนนี้มาเป็นพระโสดาบันสกิตาคามียังละอะไรไม่ได้แต่ว่ามันเบาลงหน่อยเมื่อก่อนเป็นยังไงโกรธเร็วโลภเร็วหลงโง่ไวอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นพระสกิตาคามีขึ้นมาเออเกลียดคนนั้นเมื่อก่อนถ้าเกลียดเขาเข้าว่าทันทีเลยพอเขาด่ามาด่าต่อไปทันทีเลย แต่นี่ไม่ใช่แล้วเก็บเอาไว้ข้างหนดูดูว่าใจมันเต้นไหมความรู้สึกเนี่ยมันเต้นไหมพอเขายกย่องสรรเสริญฟูขึ้นมาพอเขาได้ยินว่าเขานินทาเขาว่ารา้าเอาเขแฟงลงไปไม่ใช่พระสกิทาการมีอย่างนั้นแต่พระสกิทาการมีเขามีส ต, ติมีสติแล้วก็ก็ไม่ปล่อยออกไปปล่อยออกไปทําไมขาดทุน ทีนี้พอรู้ว่าเขานินทาอย่างเนี้หลวงพ่อเองนี่ยังมีคนนินทายัางมีคนนินทาเลยเราเนี่มันขนาดไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังมีคนนินทาไปวินทาบาตโยมบอกดูนี่กับหลวงพ่อทำดีขนาดนี้แล้วมันก็ยังนินทาก็เลยบอกว่าโยมไม่เป็นไรหรอกฝากบอกไปด้วยที่หลวงพ่อขลากว่า ให้ก็มีความสุขความสุขเดิดเขานินทาหลวงพ่อเขาขอมีความสุขความโชขเนี่เอาอย่างนั้นอย่างนั้นแผเมตตาห้ไปแผ่เมตตาเาื่กีก็บ่านบ้านบ่านนั้นเมื่อก่อนก็ดีกันอย่างนั้นอย่างนี้เขามาขอของบองกว่าอย่าเอาไปเลยของวัดนะมันไม่ดีโกโรธเลย เ, เราก็ไม่รู้ว่าเขาโกโรธเมื่อก่อนเขาให้หนังซื้อไปให้แผ่นซีดีไปอะไรไป ทำไวยแล้ไปรู้ไปรู้ไอ้ทําไว้ก็ก็หยุดก็ไม่ใส่บาตรพอมารู้ทีหลังอ้าวก็โกรธหรอกก็โกรธ็โกรธไปไอนี่เป็นยังไงหลวงพ่อไปบิณทบาทพอไปบินทบาตไปถึงบ้านนั้นทํำยังไงพอผ่านบ้านนั้นก็ก็มีความสุขความสุขเติดเนี่ยอย่าไปเกลียดเขาถ้าเราไปเกลียดสะสมเราเนี่ยสะสมความไม่ดีเอาไว้ไอ้นี่ นี่แหละคือให้รอมันหมุนให้รอมันหมุนถ้าใครที่คิดร้ายทำร้ายเราเพราะเขามีความสุกความสุกเธอเนี่ยในใจนี่เอาในใจอย่างนั้นพอตามใจก็จะเกลียดเขาจะโกรธเขาทุกข์เขาเองแหละก็ทุกข์เขาเองแต่เรานี่ปล่อยปล่อยของเราเราไม่เอาเราไม่เอาขอเขอมีความสุกความสุกเธอเห็นไหมที่เราแผ่เมตตานะชับเพสจัดตาจัดทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ต่อไปต่อไปมีจับเพยสัตตาสัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอภัยาปัจชาจงเป็นจุกเป็นจุกเติดอย่าได้มีเวนแก่กันและกันเลยมันเหมือนกันหมดทุกคนมันเหมือนกันหมด ไม่ต้องมีเวรไม่ต้องมีภัยไม่ต้องอะไรจึ่งกันเลยกันเห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันแต่เราเห็นว่าเออคนนี้เขไม่ดเีเราก็เฉยใช่เฉยเราไม่เอานี่คือพระสกิทาขามีเก็บได้ท่านเก็บเอาไว้ข้างในทีนี้พอเก็บเอาไว้ข้างในมากมากก็ไม่ดีแล้วมันหนักหนักก็ก็เลื่อนชั้นดิเลื่อนชั้นต่อไปแล้ว ก, ก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นพระ อาณาคามีรูปรากะปัดเอกรมรากะปฏิคะกามราคะ ค, ค, ความพอใจความพอใจในกามแต่ไม่ใช่กามอย่างเดียวกามมันมีทั้งวัตถุไม่ว่าบ้านไม่ว่ารถยนต์ไม่ว่าแก้วแหวนเงินทองไม่ว่าอะไรทั้งนั้นสิ่งที่เราอยากได้ที่เราพอใจอยากได้ด้วยความพอใจ เรีว่ากามราคะกามราคะกามราคะมีทั้งวัตถุมีทั้งการระหว่างเพศกามราคะทีนี้เขารู้พอไปถึงกามราคะอย่างนี้มันมีความใคร่ขึ้นมาผู้หญิงไปเห็นผู้ชายผู้ชายไปเห็นผู้หญิงอ้าวมีกามราคะเกิดขึ้นมาแม่แต่พระสงองค์เจ้านี่โอ้ไปเห็นแม่ชีเขา้าถูกออกถูกใจ ซึกกันไปทั้งชีทั้งพระไปเลยทีนี้นั่นคือกามราคะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติเป็นพระอนาคามีแม่ชีคนนี้สวยพระองค์นั้นหลอ่อพอแม่ชีดูพระแม่ชีดูพระพระองค์นั้นหลอ่อเออดูที่จมูกของท่านดูแตจมูกอย่างเดียวพอไม่ต้องดูอย่างอื่นเ อ, อ๊จมูกทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่หายใจ ทีนี้หายใจหายใจเข้าหายใจออกถ้าพระองค์นั้นมีแต่จมูกปากไม่มีแก้มไม่มีตาไม่มีหูไม่มีมันจะสวยไหมโอ้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้อ้าวทีนี้พระดูชีอีกพระดูชีโอ้ไม่ชีนี่สวยแก้มแดงเดีเ๋เหมือนมาม่วงอย่างนั้นมะม่วงเละไม่ใช่มะม่วงฉุก เ, เป็นเหมือนมะม่วงอย่างนั้นแต่แล้วดูแก้ม เออมันมีอะไรข้างในแก้มเนี่ยมันมีอะไรตัดเนื้อแก้มออกมาหมดเป็นโปร่งเลยเห็นควันเห็นกรามออ้จอกับปรกจอกับปรกทั้งนั้นเลยเออตาสวยควักลูกตาออกคิ้วสวยลอกออกไวหน้าผากสวยผลลอกล้ก็เห็นแต่กระดูกครามดู ก, ก็ได้ตรงนั้นมีแต่กระดูกมีแต่หนังหุ้มกระดูกทั้งนั้นเลยที่หน้าผากไมไม่มีอะไรเลยนี่ ดูทีถ่าพระมองแม่จีสวยแม่จีก็มองพระสวยไม่นานไม่นานอย่างนั้นไม่นานก็เอวังก็มีเล ย, เลยไปเลยอย่างนั้นนี่คือล่อไม่หมนุนถ้าลอหมนุนมีอะไรข้างในมีแต่ที่มีแต่ทร้ยมีแต่ตับมีแต่ไตมีแต่ของศอกปลกอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเน่าจบรกรับปลกทั้งนั้นเลย น่าจะอิสเอียนที่สุดนี่แค่ใครเกิดกามราคะขึ้นมาไปดูเถไปดูโฉพที่เขาผ่าตัดอะไรตัวอะไรพยายามดูไม่ใช่เอไปดูโฉพแล้วไม่ได้ไม่เป็นสิริมงคลมันเป็นสิริมงคลดี่ทำไมมันไม่เป็นสิริมงคลนี่ต้องดูมันอย่างนั้นดูให้ถึงก็ดูเสร็จแล้วมันติดอกติดใจติดตาคือมันติดใจพอติดอยู่ที่ใจแล้ว เพราะว่าเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วพอเกิดปัญญาก็โอเปต้าปีนี้โอเปต้าพอไกลสวยขึ้นมาโอเปต้าใครรอขึ้นมาโอเปทาป้าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดอย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญากามราคะทีนี้ปฏิกะกามราคะเนี่ยมันพอใจแล้วมันพอใจถึงมันดึนงเข้ามาดึงเข้ามาหาตัวกูทีนี้พอเกิดปฏิกะขึ้นมามันไม่ชอบ มันไม่ชอบมันก็ผลักออกผลักออกผลักออกอะไรไม่ชอบมันก็ผลักออกหมดอะไรที่มันชอบก็ดึงเข้ามามันมีแต่ <c oughs> กามราคะกับปฏิฆะทางนั้นแหละทางนั้นเลยแต่ว่าพระอนาคามีท่านตัดตัดสองตัวตัดสองตัวนี้คือกามราคะปฏิฆะทําไมท่านจึงตัดได้ล่อของท่านหมนุนล่อธรรมจักของท่านหมนุนเหัวลโอธรรมจักหมนุน หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยหมุนถ้าวันหนึ่งจะถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางมันก็เป็นสถานีย่ยอยๆอีกแล้วพระโสดาบันก็สถานีแรกพระจกิทาคามีก็สถานีที่สองพระนาคามีก็สถานีที่สาพอพระอรหันจบจุดหมายปลายทางความทุกข์หมด หมดตัวกูหมดของกูไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องตอนที่มันมีชีวิตอยู่ร่างกายเกี่ยวข้องแต่จิตไม่เกี่ยวข้องจิตปล่อยวางจิตรู้ก็ปล่อยวางจิตรู้ก็ปล่อยวางเห็นก็ปล่อยวางมีความทุกข์ก็ปล่อยวางมีความทุกข์ก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้จะว่าไม่ฝังตัวเข้าไป ไม่ขวางตัวเข้าไปในสิ่งนั้นนั้นนี่คือไม่ขวางตัวเข้าไปสัพเพธรรมมาสิ่งทั้งปวงธรรมะนี่แปลว่าสิ่งสิ่งสิ่งสิ่งสิ่ ง, งทั้งปวงนาลังไม่ควรไม่ควรแปลว่าไม่ควรคือไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นไม่ควรสัพเพสัพเพธรรมนานลังอภินิเวสายะเข้าไปขวางตัวหรือเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่ สิ่งตั้งกวงอไกลไกลไม่ควรก้าวไปยึดมั่นถึงมั่นว่ามันเป็นตัวกูว่ามันเป็นของกูไอ้ตัวกูก็ว่างจากตัวตนของกูมันก็ว่างจากตัวตนนี่ดูให้ถึงว่างเนี่ยมันถึงว่างตัวกูมันก็ว่างว่างในปัจจุบันนี้แหละในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เห็นสักแต่ว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่าง ธาตุดินกว่างธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศจะธาตุวิญญาณธาตุไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยจนจนย่อเหลือแต่สามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธาตุนิโรธาตุธาตุปัญญาธาตุดับดับรูปธาตุดับอรูปธาตุพอดับเสร็จแล้วมันจะมีอะไรอีกทีนี้ก็จบเลยดับก็คือดับความทุกข์เนี่ยรูปธาตุที่ข้าไปยึดมั่นถือมันมันก็ทุก ก็คือร่างกายนี่แหละที่เราข้าไปยึดมัน่นถือมันหรือวัตถุต่างๆที่เราข้าไปยึดมัน่นถือมันมีความทุกข์อรูปธาตุสิ่งที่ไม่มีตัวที่จับต้องมันไม่ได้เวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีไม่มีตัวมันไม่มีตัวเ ว, ว่านามเป็นนามรูปธาตุนามธาตุนิโรธาตุเห็นไหมนี่แหละ ต้องเลิกความยึดมั่นเถือมั่นถ้าเราคิดว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับเด็กๆอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อก่อนอะเหมือนกับเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักเลยสมัยก่อนเวลาเขาจะกินข้าวกันอย่างนี้ก็ร้อมวงกันในครอบครัวของเขาแล้วก็ตะเกียงมีที่ไหนเนี่ยตะเกียงมีทีหลังเพิ่งมีกินมาทีหลัง ตะเกียงก็ใช้น้ำมันกาดใช้น้ำมันกาดดีก็เอานั้น เ, นเอาขวดเอาอะไรแล้วเอาได้ดิบนำะมาทำไส้ทีนี้ไอเ้เด็กเด็กตารกมันก็ไม่รู้จักตะเกียงอีนี้ถ้าไอ้สมั ย, ยโยนยุกออกไปโน้อนอีก ย, ย้อนต้ยชายตาย้ยชาใตา้ทีนี้เวลาเขจะกินข้าตอนมืดมืดหรือตอนอตอนค่ำนีหรือก็าทำอะไรตอนค่ำนั่งคุยกันอะไรกัน มีใต้มีใต้แล้วเสียบเข้ากับตาปูแลเสียบเข้ากับตาปูนี่ก็มีคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้น ใ, นใครก็ได้ถ้านั่งใกล้ๆพอใต้มันมอดอ่าเขี่ยมาทีหนึ่งก็เขี่ยนั้นเนี่ยทิ้งไอ้ที่มันไหม้แล้วเ น, นี่ยทิ้งไปทีนี้เด็กดารกมันไม่รู้จักตะเกียงมันไม่รู้จักใต้มันไม่รู้จักไฟมันก็เลยยึดมั่นถือมันสวยอ่า ดูในตาเพราะยังไม่ได้เรียนรู้มันพวกข้าวไปข้าไปถึงมันก็จับตะเกียงจับที่ดวงไฟเนยข้าไปจับใ ต, ต้ที่ดวงไฟนยไฟก็ไหม้มือเน่ทีนี้พอไหม้มือเป็นยังไงพอไหม้มือที่หลังมันก็จาได้จำได้โอ้มันไหม้มือเราก็เหมือนกันข้าไปจับตะเกียกข้าไปจับไฟที่ตะเกียกข้าไปจับไฟที่ใต้ไฟคืออะไร คคือการยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นตัวเองก็มันไม่มือยึดมั่นถือมั่นสิ่งอื่นมันก็ไม่มือยึดถึงยึดมั่นถือมั่นทรัพย์สมบัติมันก็ไม่มือคอยมันไม่มือทั้งนั้นแหละมันไม่มือทั้งนั้นแต่มือในที่นี้ไม่ใช่มือสิบนิ้วมือในที่นี้คือจิตที่ข้าไปยึดมั่นถือมั่นข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะทําให้ ทำไมจิตพองมันทำไมร้อนร้อนอกร้อนใจขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่นั่นคือจิตข้าวไปยึดมั่นถือมั่นทำไมจึงข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเราะมันโง่มันไม่รู้จักว่าไฟเนี่ยมันร้อนทุกอย่างมันร้อนทางนั้นร้อนทางนั้นข้าวไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้บ้านของกูเรือนของกูรถของกูจมน้ําอยู่อะไรตอนจีปาถะ ของกูทางนั้นทั้งๆ ท, ที่รถก็อยู่ในน้ําแล้วอะไรแล้แต่ว่าเอารถมาแบกก็าไว้อย่างรถของกูของกูของกูบ้านจมน้ำํำก็ยึดมั่นถือมั่นย้ายแล้วย้ายแล้วแต่ก็แบกบ้านไปด้วยย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแบกบ้านไปด้วย ม, มันก็เลยหนักอยู่อย่างนั้นหนึ่งมีแต่ความหนักความหนักความหนักความหนักนี่คือไม่รู้จักแยกไม่ทํา ธรรมะไม่ทําวิปัสนาไม่ปฏิบัติธรรมไม่ยอมในการปฏิบัติธรรมไม่ชอบไม่ชอบเออเวลาหลวงพ่อไปต่างประเทศบอกด้วยนะถ้ายอมจะไปจะไปแต่ว่าอย่าไปปฏิบัติธรรมถ้าไปปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องบอกโอ้มีคนอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน ม, มีเหมือนกันนี่เห็นไหมเพราะฉะนะั้นอยากจะเที่ยวอยากจะชอบอย่างเดียว มันได้อะไรได้เสียงเงินในอย่างนั้นนี่ไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นคิดไปก่อนนะ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้ล้อมันหมุนให้ล้อมันหมุนอย่าได้หยุดนะหมุนชาชาก็ยังดีดีกว่าไม่หมุนถ้าไปหยุดนิ่งไม่แล้วอย่างจมปลักแล้วจมปลักเห ม, มือนหมูที่มันปลักลงในกี่โครอย่างนั้นจมปลักเลย ให้มันหมนุนราอ ห, หมุนไปเรื่อยเรื่อเรื่อยืยืต้องเอา อ, อ, อย่างนั้นนี่คือเรียกว่าวิธีต่างๆอ้าวทีนี้ในเรื่องของนั้นเรียกว่าธรรมจักทีนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของวัฏจักรวัฏจักรก็เรียกว่าวัฏสงสารวัฏสงสารวัฏสงสารนี่มันจะวนวนวนววนวนอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นมันจะไม่หยุดมันหมุนเหมือนกันเกเลตมันก็หมุน ปัญญาญมันก็หมุนทีนี้ถ้ากิเลสหมุนปวดหัวถ้าปัญญาหมุนเป็นยังไงเห็นเกิดเห็นดับเห็นว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดทางตาเกิดดับว่างเกิดทางหูจมูกลิ้นเกิดทางใจเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเป็นอนิจจังเป็นนิรันตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนั่นเรียกว่าธรรมาจากทีนี้ถ้าวัตจักรยึดมั่นถือมั่น เกิดดับยึดมั่นถือมัน่นเกิดดับยึดมันมนมดดม่นถือมัน่นมีแม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นอย่างนั้นก็เรียกวัฏตะจักรวัฏตะจักรกเป็นวัฏตะจักรวัฏตะจักรก็คืออาวิชชานั่นลยลอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปวิยน ต, วนตนาภัตตาเวทนาตาหนาวปาทานภพชาตินี่แล้วก็ไปลงเอวังที่ตัวทุกข์ลงที่ตัวทุก นั่นแล้วก็คือยึดมั่นถือมั่นทีหนึ่งเป็นทุกทีหนึ่งยึดมั่นถือมั่นทีหนึ่งเป็นทุกทีหนึ่งยึดมั่นถือมั่นทีหนึ่งเป็นทุกทีหนึ่งเป็นทุกทีหนึ่งก็คือตายทีหนึ่งเห็นไหมอะไรตายสติปัญญามันตายสติปัญญามันไม่มีอาหารกินเลยมันตายตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกนี่เรียกว่าร้อยชาติพันชาติเกิดแล้วร้อยชาติพันชาติ ไม่ใช่เกิดจากทองแม่เกิดจากความรู้สึกวันหนึ่งไม่รู้จะกี่เกิดเนี่ยลองเห็นลองดูดิลองดูดิเนี๋ถ้าเกิดความยึดมั่นหรือมั่นขึ้นมานั้นก็เรียกว่าเกิดก็คือเกิดทุกเกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้เราไม่รู้จักเกิดอย่างนี้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้จักเหนื่อยก็อยู่อย่างนั้นทีนี้ถ้าเรา ให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่กูทีนี้ไม่ใช่กูนี่ต้องแข่งกันแข่งกันแข่งกันจนกระทั่งว่าเสมอการเสมอกันเราก็ยังไม่ยอมไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่ ก, ชกูต่อไปเป็นยังไงชนะชนะวัตตจักรที่เป็นตัวกูเนี่ยทีนี้ถ้าชนะแล้วก็ขาดรอยทีนี้ต่อไปอู้สบายสบายแต่อย่างนั้นสบายแล้วนี่ทีนี้พอสบายแล้ว ไม่ต้องไปหมุนมาแล้วทำมาจากหมุนทำไมอ่ะมันไปเองแล้วอัตโนมัติแล้วหมุนโดยอัตโนมัตินี่ไม่ต้องใช้น้าโมกน้ำมันไม่ต้องใช้อะไรหมุนเองมันแล้วอะไรเกิดขึ้นมาว่างอะไรเกิดขึ้นมาโกว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นวางเอนเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างไม่ยึดมั่นถือมันอะไรทางนั้นทีนี้ตาความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตโนมัติ ถึงที่สุดถึงที่สุดมันก็สงบเย็นดีนีิจิตก็อยู่กับความสงบเย็นได้ความสงบเย็นนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนั้นพระอรรัตน์ก็อยู่ตรงนั้นพระธรรมก็อยู่ที่ตรงนั้นคือความสงบเย็นเพราะไม่ยึดมั่นถือมัน่นแต่เมื่อยึดมั่นถือมันร้อนหนักต้องร้อนต้งหนักต้งอึดอัดเต็มไปหมด เต็มไปหมดไม่รู้อะไรต่ออะไรสารพัดสารเพนี่คือยึดมั่นถือมั่นอันนั้นแต่คําว่ายึดมั่นถือมั่นมันก็ยาวคําว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ยาวนี่มันยาวทั้งนั้นเราต้องปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะรู้เองก็จะเห็นเองนี่ธรรมะเนี่ยรู้เองเห็นเองไม่อย่างนั้นมันไม่รู้ไม่ไม่เห็นก็เท่ากับว่าตาบอดเป็นคนตาบอดนี่ เรื่องทั้งหมดคือก็คืออริยมรรคก็ต้องปฏิบัติเป็นข้อข้อข้อขกันไปเมื่อปฏิบัติตามอาริยมรรคก็คจะมีอริยสัจเกิดเมื่อมีอริยสัจเกิดอริยสัจจะเกิดก็จะเกิดจากขอ ง, อ ต, าาง ต, าาตาปาทิญาณุตาปาทิปัญญาตาปาทิวิชาตาปาทิอาโลโกตปาทินี่พูดไม่จบเพราะฉะนั้นค้างไว้แค่นี้ก่อนถ้าใครอยากจะฟังตอนเช้ามดืดตีห้า มาที่ตรงนี้ตามเดิมในวันเกิดนี่จะพูดทักสองครั้งแต่วันพรุ่งนี้ไม่พูดให้คนอื่นพูดหลวงพ่อไม่ต้องพูดแล้วให้สองสามสี่ห้าคนเบรกเอาไว้แล้วให้พูดใครจะพูดอะไรก็พูดไปอจะให้พูดในสังคมก้างล่างนั่นแหละแต่หลวงพ่อจะพูดสองครั้งพูดที่ตรงนี้เพราะเรื่องมันไม่จบจะเอาครั้งเดียวจบมันก็ไม่ยอมจบ ไม่ยอมจบก็พูดกันต่อไปพูดกันต่อไปก็ฟังกันต่อไปอ้อยพ่อนี่วันเกิดเนี่อ้อยพ่ออาจาะย์นั้นเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ไปพักผ่อนตื่นแต่เช้าเมื่อตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ครึ่งมาทําวัดตรวจมนกันให้เสร็จทำวัดตรวจมนเสร็จก็ตีห้าหลวงพ่อก็มาราวหกโมงหกโมงกว่านิดหน่อยเรื่แล้วก็จรวจแล้วแต่ หอวงพ่ก็จะเลิกพูดจะหยุดพูดในวันพรุ่งนี้ขอความจุกความเจริญในธรรมจงเกิดมีกระยาดโยมทั้งหลายจงทุกทุกท่านเตื่น